ปีพุทธศักราช2489พันศาที่2จำพันศาที่วัดป่าแสนสําราญอําเภอวารินชมราชจังหวัดอุบลราชธานีท่านพระอาจารย์สิงหคันตยกมโมท่านปฏิบัติเคร่งครัดในพระธรรมวินัยมากเป็นเสมือนองค์แทนของท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตขอ้อกติกาสัมมาปฏิบัติอันเป็นข้อปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสําหรับพระคณะกรรมฐานท่านปฏิบัติเป็นแบบอย่างที่วัดป่าแสนสําราญ พระภิกษุสามเณรที่อยู่ร่วมสำแนักกับท่านก็มีเป็นจำนวนมากทุกท่านทุกรูปต่างตั้งอกตั้ ง, งใจปฏิบัติเหมือนประหนึ่งว่าพระบรมศาสดามาแสดงธรรมโปรดอยู่ทุกวี่ทุกวันไม่มีพระภิกษุสามเณรที่เดินเที่ยวเล่นพูดคุยเล่นอยู่ในบริเวณวัดมีแต่ท่ายืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดเป็นท่าประกอบไปด้วยสติสมาธิปัญญามองดูแล้วล้วนแล้วแต่ท่านผู้ทรงศีลทรงธรรม สะอาดหมดจดด้วยวัตถปฏิบัติตายร่มไม้ใชยากระท่อมน้อยเพิงหญ้าลานกลางแจ้งมองไปทางไหนมีแต่พระสงฆ์สามเณรนั่งสมาธิเดินจงกรมพิจารณาธรรมอยู่ทุกเช้าคำ่ำเหมือนเครื่องจักรแห่งธรรมอันใหญ่กำลังหมุนวนไปเพื่อปราบปรามเหลสัพพกิเลสให้หลุดหล่นกระจัดกระจายออกจากกล่องดวงใจไปทีละชิ้นสองชิ้นช่างหน้าอนุโมทนาในเวลาค่าคืนเดือนมืดสนิด แสงเทียนจุดไว้เพื่อเดินจงกรมเป็นเสมือนแสงแห่งดวงดาวผู้ที่นั่งสมาธิก็ดับเทียนไม่มีแม้แต่เสียงไอเสียงจามเงียบสนิทปรากฏแต่แสงเสียงที่มีอยู่ตามธรรมชาติไร้เสียงพูดคุยสนุกสนานอันเป็นการปล่อยเนื้อปล่อยตัวปล่อยใจต่างองค์ต่างคุยกับภาษาใจและภาษาธรรมภายในสำรวมระวังไม่ให้ใจออกไปข้างนอกประคองจิตและสติให้อยู่ในกายแล้วพิจารณาทำบางประการ ที่พระอาจารย์บอกสอนให้ตามแต่จริตนิสัยของใครของมันวันคืนที่หมุนเวียนไปล่วงเลยไปโูกหมุนกลับนับถอยหลังถึงมันเวลาที่จะเข้าสู่ประตูแห่งมรรคผลนิพพานเวลาที่เคยเกินกินชีวิตมนุษย์ที่หลับหลายชั่วกลับชั่วกันมาบัดนี้กัดกร่อนหัวใจของพระกรรมฐานผู้พิจารณาธรรมไม่ได้แล้วสายตาทอดไปทางใดมีแต่ท่านผู้มักน้อยสันโดษในกีวร อ, อาหารวิถ่าบาศ เสนาสนะยารักษาโรคเราผู้เข้าไปถวายตัวเป็นศิษย์ใหม่ก็พลอยมีจิตใจหึกเหิมที่จะปฏิบัติให้ได้อย่างท่านเหล่านั้นบ้างสำนักเสนาสนะป่าแสนสำราญแห่งนี้มีครูบาอาจารย์กรรมฐานศิษย์ท่านพระอาจารย์มั่นแวะเวียนมาพักสนธนาธรรมกับท่านพระอาจารย์สิงเสมอเช่นพระอาจารย์มหมาปิ่นปัญญบโลพระอาจารย์อ่อนญาณสิริพระารอาจารย์ฟั่นอาจารโรพระอาจารย์กงมาจิรปุญโย ท่านพ่อลีธรรมทโรพระจารย์ภูมิมีทิตะธรรมโมพระจารย์ดีฉันโนพระจารย์พันปาเรสโกพระจารย์ดูนอตุโลพระจารย์เทศเทศรังสีพระจารย์ทองอโศโกพระจารย์หรุยจันทสาโรเป็นต้นท่านพระจารย์สิงห์ได้อธิบายข้อปฏิบัติดีปฏิบัติชอบของพระพุทธเจ้าพระองค์ได้ตรัสรู้แล้วพระองค์ทรงพระมหากรุณาสั่งสอนให้พระสาวกบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญา ให้ถึงพร้อมบริบูรณ์ด้วยความไม่ประมาทด้วยสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานฝึกจิตใจให้เป็นไปในกระแสแห่งอริยมรรยผลจนกว่าจะเอาตนพ้นทุก์ในวัฏสงสารได้จริงๆพระภิสุสามเนนผู้มุ่งหวังมาบําเพ็ญในสำนักพระคณะกรรมฐานต้องเป็นผู้มุ่งหวังพ้นจากทุกจริงจริงและหวังบําเพ็ญจิตของพระศาสนาจึงต้องสละความห่วงอะไรในคราวาส เย่าเรือนตลอดจนสละชีวิตเลือดเนื้อมาเพื่อทรมานตนให้พ้นจากทุกในวัฏะสงสารต้องเป็นผู้มีความเพียรไม่เกียจคร้านมีขันติธรรมอดทนต่อความทุกข์ความยากลําบากตราต ร, รําไม่วันไหวต่อเหตุการณ์ต่างๆทั้งทางตรงและทางอ้อมโดยเป็นผู้เห็นแก่พระศาสนาจริงๆต้องเป็นผู้มีน้ําใจอันซื่อสัตย์ต่อพระศาสนาและครูบาอาจารย์ตลอดถึงหมู่คณะอ่อนน้อมทมตน ให้หมู่คณะว่ากล่าวตักเตือนสั่งสอนได้ในพระธรรมวินัยเมื่อมาอยู่ในหมู่คณะนี้แล้วจะลีกนี้ไปไหนก็ไม่รอบหนีดักนี้ให้ลัมราคูบาอาจารย์ของตนเสียก่อนเมื่อท่านอนุญาตแล้วจึงไปต้องเป็นผู้สนใจใคร่ทำใครวินัยสแสวงหาวิโมกธรรมสันติสุขในทางพระพุทธศาสนาและหวังเพื่อเชิดชูพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบไปหลวงปู่ศีได้กล่าวย้ำว่า ไปฟังเทศท่านพระอาจารย์สิงห์ไปฟังใหม่ๆเหมือนกับว่าได้ฟังเทศพระพุทธเจ้าท่านเทศถูก อ, อกถูกใจเหลือหลายแต่แล้วก็ได้อยู่กับท่านเพียงสามเดือนเพราะท่านกลับไปอยู่วัดป่าสารวันเมือง โ, โคราชต่อจากนั้นเราจึงไปวิเวกอยู่บ้านข้อขวางซึ่งเป็นวัดของท่านเจ้าคุณอุบาลีคุณูป h a r m จารย์ไปเห็นหนังสือแล้วอ่านดูก็ถูก อ, อกถูกใจอีกก็นึกว่าจะหายสงสัยออกไปประพฤติปฏิบัติอย่างเต็มที่ พอรู้จักแนวทางในการประพฤติปฏิบัติกรรมาฐานแล้วจึงเดินเข้าป่าเข้าดงไปตามเรื่องเดินเที่ยววิเวคข้ามป่าข้ามเขาไม่รู้กี่ลูกต่อกี่ลูกแต่แล้วก็ไม่วายคิดถึงท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโต